พระไตรปิฎกเล่มที่สิบสองมหายมะกะวัคหมวดว่าด้วยธรรมะเป็นคู่หมวดใหญ่จุลโคสิงคสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในป่าโคสิงคสารวันสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หน้าตำหนักอิดในบ้านชื่อ น, นาธิกะสมัยนั้นท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทยะและท่านพระกิมิละอยู่ที่ป่าโคสิงคสารวัน ครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปยังป่าโคสิงคสารวันนายทายาบาลคือผู้รักษาปา่าได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระสมณะท่านอย่าเข้าไปในป่านี้เลยในป่านี้มีกุลบุตรคือพระเทระสามท่านซึ่งเป็นผู้มุ่งประโยชน์ตนอยู่ ท่านอย่าได้รบกวนกุลบุตรทั้งสามนั้นเลยเมื่อนายทายาบาลกราบทูลพระผู้มีพระภาคอยู่นั้นท่านพระอนุรุทธะได้ยินจึงได้บอกกับนายทายาบาลว่าอย่าได้ห้ามพระผู้มีพระภาคเลยพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระศาสดาของพวกเราเสด็จมาถึงแล้วครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะได้เข้าไปหาท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละถึงที่อยู่แล้วได้บอกว่า รีไปกันเถท่านพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระศาสดาของพวกเราเสด็จมาถึงแล้วท่านทั้งสามรูปนั้นได้ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งนาที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอนุรุท ธ, ธะนันทิยะและกิมิละเธอทั้งหลายยังสบายดีไหมยังพอเป็นอยู่ได้หรือเปล่าลำบากด้วยบินทบารหรือไม่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 ในท่านเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและลับหลังข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรเก็บความนึกคิดของตนแล้วประพฤติตามอำนาจความนึกคิดของท่านเหล่านี้แล้วทาตามนั้นกายของข้าพระองค์ทั้งหลายต่างกันก็จริงแต่ความนึกคิดดูเหมือนเป็นอันเดียวกันพระพุทธเจ้าค่ะแม้ท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมมิร ก็ได้กราบทูลเนื้อความเช่นเดียวกันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละอนุรุท ธ, ธะนันทิยะและกิมมิระเธอทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่หรือไม่ท่านพระอนุรุทธะกราบทูลว่าขอพระท่านวโรกาศข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พระพุทธเจา้าค้า ตรัสถามว่าเธอทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ได้อย่างไรขอประทานวโรกาสบรรดาข้าพระองค์ทั้งหลายรูปใดกลับจากบินทบาาจากหมู่บ้านก่อนรูปนั้นก็ปูลาดอาสนะตั้งน้ําฉันน้ําใช้ไว้ตั้งถ่าสําหรับไว้รูปใดกลับจากบินทบาาจากหมู่บ้านที่หลังถ้ามีบินทบาา ท, ที่เหลือจากฉัน หากประสงค์ก็ฉันหากไม่ประสงค์ก็เททิ้งบนพื้นที่ปราศจากของเขียวหรือเทลงในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์รูปนั้นเก็บอาสนะเก็บน้ำฉันน้ำใช้เก็บถาสำรับกวาดโรงอาหารรูปใดเห็นหม้อน้ำฉนันหม้อน้ำใช้หรือหม้อน้ำชาระว่างเปล่ารูปนั้นก็นาไปตั้งไว้ถ้าเหลือวิสัยของท่าน ก็กวักมือเรียกรูปที่สองมาช่วยกันยกนำไปตั้งไว้ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เปล่งวาจาเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัยหลักทุกห้าวันข้าพระองค์ทั้งหลายนั่งสนทนาธรรมีกถาตลอดกืนยันรุ่งข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้แหลพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาตรัสว่าดีละอนุรุท ธ, ธะนันทิยะและกิมิละยาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมะของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่อย่างผาสุขที่เธอทั้งหลายผู้ไม่ประมาทมีความเอียนอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ได้บรรลุแล้วมีอยู่หรือไม่ท่านพระอนุรุทธะกราบทูลว่ามีอยู่พระพุทธเจ้าค่ะ ข้าพระองค์ทั้งหลายสงัดจัดกรารมและอภุสุลธรรมทั้งหลายและบรรลุปฐมฌมานที่มีวิตกวิจารณ์ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ตามกำหนดเวลาที่มุ่งหวังนี้คือญาณทัศนาที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมะของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่อย่างพาสุขข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ได้บรรลุแล้วพระพุทธเจ้าขา้า ดีละอ น, นุรุทธะนันทิยะและกิมิระญาณทัศนาที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมะของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่อย่างผาสุปอย่างอื่นที่เธอทั้งหลายได้บรรลุเพื่อก้าวล่วงและเพื่อรั ง, งับธรรมะเป็นเครื่องอยู่นั้นมีอยู่หรือไม่มีอยู่พระพุทธเจ้าขา้าเพราะวิตกวิจารสงบระ ง, งับไป าพระองค์ทั้งหลายบรรลุทุติยชาญที่มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ตามกำหนดเวลาที่มุ่งหวังนี่คือญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมะของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่อย่างผาสุกอย่างอื่นที่ขาพระองค์ทั้งหลายได้บรรลุเพื่อก้าวล่วง และเพื่อระ ง, งับธรรมะเป็นเครื่องอยู่นั้นดีละอนุรุทธานันทิยะและกิมิละยานทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมะของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่อย่างพาสุขอย่างอื่นที่เธอทั้งหลายได้บรรลุเพื่อก้าวล่วงและเพื่อระ ง, งับธรรมะเป็นเครื่องอยู่นั้นมีอยู่หรือไม่มีอยู่พระพุทธเจ้าค่าเพราะปิติจางคลายไป ข้าพระองค์ทั้งหลายมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยะฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขนี้คือญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมกของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่อย่างพาสุขอย่างอื่นที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บรรลุเพื่อก้าวล่วง และเพื่อระ ง, งับธรรมะเป็นเครื่องอยู่นั้นพระพุทธเจ้าค่าตีละอนุรุทธะนันทิยะและกิมีลาญาณทัศนาที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมะของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่อย่างพาสุกอย่างอื่นที่เธอทั้งหลายได้บรรลุเพื่อก้าวล่วงและเพื่อระ ง, งับธรรมะเป็นเครื่องอยู่นั้นมีอยู่หรือไม่มีอยู่พระพุทธเจ้าข่า เพราะละสุขละทุกได้เพราะโสมนัสละโทมนัสดักไปก่อนแล้วข้าพระองค์ทั้งหลายบรรลุจัตุทัตชาญที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอยู่ตามกำหนดเวลาที่มุ่งหวังนี้คือญาณธัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมะของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่อย่างพาสุขอย่างอื่นที่ข้าพระองค์ทั้งหลาย ได้บรรลุเพื่อก้าวล่วงและเพื่อระ ง, งับธรรมะเป็นเครื่องอยู่นั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามถึงญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมะของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่อย่างผาสุขอย่างอื่นที่พระอริยสาวกทั้งสามรูปนั้นได้บรรลุยิ่งไปกว่านั้นอีกหรือไม่ซึ่งท่านพระอนุรธธุทธะกราบทูลตอบเรียงลําดับดังนี้ มีอยู่พระพุทธเจ้าค่าเพราะลวงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่กําหนดนานัตสัญญาโดยประการทั้งปวงข้าพระองค์ทั้งหลายบรรลุอากาสานัญจายตนาชาญอยู่โดยกําหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้ต่างกําหนดเวลาที่มุ่งหวังเพราะลวงอากาศสานัญจายตนาชาญโดยประการทั้งปวงข้าพระองค์ทั้งหลายบรรลุวิญญาณัญจายตนาชาญอยู่โดยกําหนดว่า วิญญาณหาที่สุดมิได้ตามกำหนดเวลาที่มุ่งหวังเพราะลวงวิญญ า, า, า, าณัญจายตนะชาญโดยประการทั้งปวงข้าพระองค์ทั้งหลายบรรลุอากินจัญญายาตนะชาญอยู่โดยกำหนดว่าไม่มีอะไรตามกำหนดเวลาที่มุ่งหวังเพราะลวงอากินจัญญายาตนะชาญโดยประการทั้งปวงข้าพระองค์ทั้งหลายบรรลุเนวสัญญานาสัญญ า, าัญญายาตนะชาญอยู่ตามกาหนดเวลาที่มุ่งหวัง เพราะล่วงเนวะสัญญาณาสัญญายาตนาชาญโดยประการทั้งปวงข้าพระองค์ทั้งหลายบรรลุสัญญาเวทาิตานิโรธอยู่เพราะเห็นด้วยปัญญาอาสวะของข้าพระองค์ทั้งหลายยอมสิ้นไปตามกำหนดเวลาที่มุ่งหวังนี้คือญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมะของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่อย่างพาสุขอย่างอื่นที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้บรรลุเพื่อก้าวล่วง และเพื่อระงับธรรมะเป็นเครื่องอยู่นั้นพระพุทธเจ้าค่ะอันหนึ่งข้าพระองค์ทั้งหลายยังไม่พิจารณาเห็นธรรมะเป็นเครื่องอยู่อย่างภาสุกอย่างอื่นที่ยิ่งหรือปราณีกว่าธรรมะเป็นเครื่องอยู่อย่างผาสุกนี้พระพุทธเจ้าค่ะดีลักอนุรุทธะนันทิยะและกิมิละธรรมะเป็นเครื่องอยู่อย่างพาสุกอย่างอื่น ที่ยิ่งหรือปราณีตกว่าธรรมะเป็นเครื่องอยู่อย่างผาสุขนี้หามีไม่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารกล้าวกล้าปลอบโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จจากไป ท่นพระอนุรุทธท่านพระนันทยะและท่านพระกิมิละตามทรงเสด็จพระผู้มีพระภาครั้นกลับจากที่นั้นแล้วท่านพระนันทยะและท่านพระกิมิละได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะว่าท่านอนุรุทธะประกาศคุณวิเศษใดของพวกกระผมจนถึงความสิ้นอาสวะในที่เฉพาะพระภักพระผู้มีพระภาคพวกกระผมได้บอกคุณวิเศษนั้นแก่ท่านอนุรุทธะอย่างนั้นหรือว่า พวกเราได้วิหารสมาบัติเหล่านี้และเหล่านี้ท่านพระอนุรุทธะกล่าวว่าพวกท่านไม่ได้บอกแกกระผมแต่กระผมกำหนดจิตของพวกท่านด้วยจิตของกระผมเรารู้ได้ว่าท่านเหล่านี้ได้วิหารสมาบัติเหล่านี้และเหล่านี้แม้พวกเทวดาก็ได้บอกเนื้อความข้อนี้แกกระผมว่าท่านเหล่านี้ได้วิหารสมาบัติเหล่านี้และเหล่านี้ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามปัญหาพระผมจึงทูลตอบเนื้อความนั้นเทวดาสรรเสริญพระเทระทั้งสามรูปยักชื่อทีฆะปราชชนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เป็นราภของชาววัตชีประชาชนชาววัชชีได้ดีแล้วที่พระตถาคตอ ร, รหันตสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าเสด็จมาประทับอยู่และกุลระบุตรสามท่านนี้คือท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละก็มาพักอยู่เทพชั้นภูมิได้ฟังเสียงของยักษ์ชื่อติกะปราชนะแล้วได้ประกาศเนื้อความนั้นต่อไปเช่นกัน เทพชั้นจตุมหาราชได้ฟังเสียงของเทพชั้นภูมิมาแล้วประกาศเนื้อความนั้นต่อไปและเทพชั้นอื่นที่ได้ยินก็ประกาศต่อๆกันไปอีกตามลำดับดังนี้เทพชั้นดาวดึงเทพชั้นยามาเทพชั้นดุสิตเทพชั้นนิมมานารดีเทพชั้นปรนิมิตาสวัตตีเทพที่นับเข้าในหมู่พรมได้ประกาศต่อไปว่าท่านผู้เจริญทั้งหลาย เป็นลาบของชาววัชีประชาชนชาววัชีได้ดีแล้วที่พระตถาคตอราหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาประทับอยู่และกุลบุตรสามท่านนี้คือท่านพระอนุรุธทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละก็มาพักอยู่โดยขณะเพียงครู่หนึ่งนั้นท่านพระเถระเหล่านั้นได้เป็นผู้ที่เทพทั้งหลายรู้จักกันจนถึงพรหมโลกด้วยประการอย่างนี้ การปฏิบัติดีของพระสงฆ์เป็นประโยชน์แก่มหาชนพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าถีคะข้อนี้เป็นอย่างนั้นกุลระบทุทั้งสามนี้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากตระกูลใดถ้าตระกูลนั้นมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลระบทุทั้งสามนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แกตระกูลนั้นตลอดกาลนานตรัสโดยนัยยะเนื้อความหมายเดียวกันแต่เปลี่ยนจากตระกูลเป็นอุลระบุตรทั้งสนี้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากวงตระกูลใดจากหมู่บ้านใดจากนิคมใดจากนครใดจากชนบทใดถ้าในที่แต่ละแห่งนั้นมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงอุลบุตรทั้งสนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่บุคคลจากที่แต่ละแห่งนั้นตลอดกาลนานถ้ากษัตริย์ทั้งมวลถ้าพราหมณ์ทั้งมวลถ้าแพทย์หรือพ่อค้าทั้งมวลถ้าสูตรหือชนชั้นแรงงานทั้งมวลมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงคุณบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนเหล่านั้นตลอดกาลนานถ้ามนุษยโลก พร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกร ม, มโลกมูสัตรพร้อมทั้งสมณพราหมเทวดาและมนุษย์มีจิตเลื่อมใสระลึกถึงอุลบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มนุษยาโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกร ม, มโลกมูสัตรพร้อมทั้งสมณพราหมเทวดาและมนุษย์ตลอดกาลนานทีฆา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 ชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละจบจุลาโคสิงขสูตรจากพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสอง